มีวัยรุ่นคนหนึ่งนะคือใหญ่มันนึงก็พบข่าวร้ายพ่อเสียชีวิตเพราะว่าถูกฆ่าเกิดเรื่องทะเลาะวิวาดกันกับวัยรุ่นข้างบ้านถึงขั้นใช้กำลังกันก็เลยมีการใช้มีดนะต่อสู้กันนะพ่อของใหญ่ก็เสียชีวิตส่วนฆาตกรนี้ก็ถูกจับได้ แล้วก็ติดคุกแต่เนื่องจากเป็นเยาวชนนะก็เลยไม่ได้ถูกขังในเรือนจำนะแต่ให้ไปอยู่เ็าเรียกว่าศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนนะซึ่งก็มีอยู่หลายแห่งหลายที่เช่นบ้านกรุณาบ้านเมตตาตัวใหญ่เนี่ยโกรธแค้นมากเลยนะแล้วก็ตั้งใจว่าจะพยายามแก้แค้นแทนพ่อให้ได้เยาก็เลย ทำคดีกนะ้อนซั์เพื่อได้เป็นเหตุให้ถูกจับแล้วก็ได้จะได้ไปอยู่ที่เดียวกับคนที่เป็นฆาตรกรซึ่งชื่อเล็กโอใช้เวลานานนะได้จากบ้านนั้นไปด้ ว, วันนี้จนกว่าจนกระทั่งได้ไปอยู่ที่เดียวกับเล็กนะซึ่งเป็นฆาตรกรสถานที่ที่ว่านะี่คือบ้านกาญจนายพิเศษนะ ชื่อเต็มๆว่าศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนบ้านการจนบุพิเศษซึ่งมีป้า ม, มนนะหรือว่าทิชาณนาครนี่เป็นผู้นอนวยการใหญ่ยยเนี่ยได้ไปสถานได้ไปอยู่สถานที่เดียวกับเล็กเนี่ยแกก็วางแผนเลยนะที่จะแก้แค้นเล็กนี่ก็รู้นะว่าใหญ่ยยเนี่ยคิดอะไรพอเล็กรู้ว่าใหญ่นะ ได้มาอยู่บ้านการยพิเศษแล้วก็ไปหายใหญ่นะเพื่อแสดงความสำนึกผิดขอโทษเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่านะแต่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยนะต้องป้องกันตัวเองแต่ว่าใหญ่ก็ไม่ไม่ยอมรับคำขอโทษนะเพราะใจิตใจนี่ก็ยังเต็มไปด้วยความเครียดแค้น หาทางที่จะแก้แค้นให้ได้ให้เพื่อนๆที่อยู่ในบ้านการยายพิเศษเนี่ยไปหาอาวุธมาหาเหล็กหามีดมาก็ได้จะไม่มีใครให้ความร่วมมือเล็กก็รู้นะว่าใหญ่คี่จะทำร้ายตัวเองก็ระวังตัวกลัวก็กลัวนะ ก็เลยพยายามอยู่ห่างๆไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปนะในหมู่คนเยาวนชนที่อยู่บ้านการทนายพิเศษว่าใหญ่นี่จะพยายามแก้แค้นเอาชีวิตของเล็กให้ได้ mm hmm. ก็เลยพยายามที่จะช่วยๆกันนกันๆเอาไว้ไม่ให้ เ, เกิดการกระทบกระทั่งกันหรือโอกาสที่มีการแก้แค้นกัน ป้ามนนี่แกก็พยายามนะพยายามที่จะจัดกิจกรรมเพื่อที่จะช่วยทําให้เกิดการคืนดีกันที่บ้านการพิเศษนี้ก็มีกิจกรรมนะหลายกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีกิจกรรมนี่เรียกว่ากิจกรรมวิชาชีวิตให้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเนี่ยได้รู้จักตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเองไม่ใช่คิดว่าตัวเองเป็นเศษสวะสังคมนอกจากเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วรู้จักจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้รู้จักใช้ความคิดจะทำอะไรก็คิดซะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรเช่นคิดว่าทำแล้วจะเกิดผลอะไรขึ้นมากิจกรรมเหล่านี้มันก็ช่วยทำให้เยาวชนหลายคนนะ ก็ได้คิดและสำนึกผิดแล้วก็เกิดแรงจูงใจที่จะทำความดีเพื่อทำให้ช่วยตัวเนี้มีคุณค่าขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยทำให้ใหญ่เนี่ยเขาคลายความเครียดแค้นพยาบาทเลยก็ยังมีอยู่นะแล้วก็หาทางแก้แค้นตลอดเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย บางการใพิเศษนี่เขามีกิจกรรมประจำปีนะ16สิงหานี่เรียกวันสันติภาพก็จะมีกิจกรรมที่ให้เยาวชนเนี่ยเขาได้มาไคร้ควรสำนึกผิดรวมนั่งได้มีโอกาสได้ขอขอมาคนที่ตัวเงเคยทำร้ายเพื่อได้เกิดสันติภาพในใจ วันนั้นเนี่ยป้ามนก็ทำเซอร์ไพรส์นะนำเอาย่าของใหญ่มาร่วมงานด้วยย่าของใหญ่ก็คือแม่ของพ่อแม่ของคนที่เสียชีวิตเพราะว่าถูกเล็กฆ่าเนี่ยเอาแม่ของใหญ่มาแล้วก็มีพิธีขอขมานะเล็กเนี่ย ก็ไปขอขอมาญาของใหญ่ขอเข้ามาที่ไปฆ่าลูกนะของเธอญาของใหญ่นี่แกก็ให้อภัยนะก็บอกว่าเรื่องมันก็เล่าไปแล้วอย่ามาเจ็บแค้นกันเลยให้อภัยกันดีกว่าพาพนี้เนี่ยมัน สะดุดใจใหญ่มากเลยนะใหญ่ก็ไม่ได้คิดว่าโอ้ย่านี่ขนาดเสียลูกไปนะก็ยังให้อภัยคนที่ฆ่าลูกของตัวได้และเราเนี่ยซึ่งเป็นลูกเนี่ยของผู้ตายเนี่ยเราก็น่าจะให้อภัยคนที่ฆ่าพ่อของเราได้เหมือนกันนะมันเป็นภาพที่น่าเรียกว่าเปลี่ยนใจนะของ ใหญ่ได้นะในสุดเนะี่ยใหญ่ก็คลายความเจ็บแ้นแล้วก็ใหอภัยเล็กใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยวันที่เขาสามารถอภัยเล็กได้นี่มันโล่งไปเลยนะไอ้ที่เคยรุ่มร้อนเนี่ยพราความอาฆาตพยาบาทนี่มันมันหายไปเลยมันมีความเย็นใจเข้ามาแทนที่เขาพูดถึงความรู้สึกตอนนั้นว่าเนี่ย รูปนี้เนี่ยทำไปนานแล้วทำไปนานแล้วคืออะไรคือให้อภัยไปนานแล้วไอ้ตอนนั้นเนี่ยไม่ยอมให้อภัยนะแต่ว่าพอผ่านกิจกรรมอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ย่าของใหญ่เนี่ยให้อภัยคนที่ฆ่าลูกของตัวได้เนี่ยจะก็ได้คิดเลยแล้วพอให้อภัยเสร็จนะ่นจึงรู้ว่าโอ๊ย การให้อภัยี่มันดีเหลือเกินนะแต่ก่อนที่ไม่ยอมให้อภัยนะไม่ยอมไม่ยอมจะต้องแก้แค้นให้ได้แต่ว่าพอให้อภัยเสร็จนะโอ้ลุงนี้ทําไปนานแล้วหลายคนที่มีความเจ็บช้าน้ําใจเนี่ยและมีความโกรธแค้นพยาบาทเนี่ยก็จะรู้สึกว่าการให้อภัยเป็นเรื่องยากมากคือ ก, การให้อภัยเป็นความอ่อนแอแต่ทจริงสิ่งที่ยากกว่านะก็คือการอยู่ ด้วยความโกรธหรือมีชีวิตยอยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทอันนี้ยากกว่าหลายคนเนี่ยนะคิดว่าการให้อภัยเป็นเรื่องยากแต่ลืมนึกไปว่าอาที่ตัวเองอยู่ด้วยความรุ่มร้อนด้วยความพยาบาทนี่มันยากกว่ามากทีเดียวหลายคนเนี่ยชอบนะทำสิ่งที่ยากแล้วก็มองข้ามสิ่งที่ง่ายทั้งที่สิ่งที่ง่ายเนี่ย มันมีคุณค่ามากไปเยอะเลยนี่ยหลายคนเนี่ยมีประสบการณ์คล้ายกับใหญ่กับใหญ่นะคือพอให้อาภัยแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมันสบายนะมันเย็นแล้วก็พูดคล้ายๆกันว่าเนี่ยรู้มิ้นทำไปนานแล้วไม่น่าปล่อยให้ใจเนี่ยมันเผาลนด้วยความโกรธแค้นเพราะไปคิดว่าการให้าภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ คนเหล่านี้ก็รู้นะว่าการให้ภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรทำแต่ไม่ยอมทำเพราะคิดว่ามันยากเพราะคิดว่ามันเป็นความ่พยแพ้นะแต่ที่จริงแล้วนี่พอได้ทำนี่จะรู้เลยแล้วว่าเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้แล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำไปตั้งนานแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าจะเลือกทำ ทำบ้างจริงมันเป็นเรื่องง่ายนะแต่คนเราเนี่ยมักจะทำเรื่องยากเราก็เลยไม่เห็นคุณค่าของการให้อภัยแต่พอได้ทำแล้วจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและความหมายมากมันทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะไม่ติดอยู่กับอดีต